ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่สพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระโมคคาเคยฆ่าพ่อแม่พระในวัดของเราทั้งหมด31รูปลงมาชั้น26 งดฉันห้านันนี้สั ม, มนเนสองนาคสามนาคจะบวชวันที่ห้านาคที่เตรียมจะบวชจะบวชวันที่ห้าปีนี้รู้สึกว่านาคให้น้ำดีว่ะช่วงนี้นาคให้น้ำดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยแลวเกินแต่ที่ไม่ดีก็เนี่ยแหละแถวบ้านผือ เสาไฟฟ้าล้มละเนรนาดอาคารบ้านคนพกป้ายพกอะไรนะียโอ้กระจุยกระจายลมปีนี้ลมแรงนะอลมแรงปีนี้แต่กระนับว่าโชคดีแล้วก็ยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำหรอกเพราะว่ายังไม่พ้นมันถ้าพ้นเดือนพุทธภามิตรนาไปแล้วจะพูดได้ ในวัดของเราปีนี้รู้สึกว่าตลอดปลอดภัยลมลมไม่เข้าแต่เสียดหน้าเสียดหลังนะ เ, เสียดไปเสียดมาอยู่ข้างๆวัดของเราเนี่ยแหละสวนยางขาดล้มระเนระนาดขนาดก่อภัยยังโค่นนะสำนักใกล้ๆนะสำนักชีนะ แต่วัดของเรารู้สึกว่าตลอดปลอดภัยปีนี้เท พ, พเจ้าเหล่าเทวาคุ้มครองอยู่กันแต่ประตามไม่จริงที่วัดของเรานะที่ผ่านมาสร้างมาป่าเขกาทั้งสามสิบปีก็ยังไม่เคยมีจังจั่งยังไม่เคยมีจังจังที่อันตรายแต่ก็ยังมีครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมา พระอดอาหารพระอดอาหารท่านก็นั่งภาวนาหลวงพ่อวันนั้นหลวงพอ่อในพรรษาหลวงพ่อก็นเนี่ยพูดนี่แหละพูดใส่ไม้เนี่ยน่ยก็ไปออกวิทยุวิทยุหลวงพอ่พอเพราะเป็นวันพระวันนั้นพระท่านก็นั่งภาวนาท่านก็นั่งฟังฟังหลวง พ, อพ่ อ, อ, พ, อาาพูดอยู่อยูพูดอยู่ที่ศาลาเนี่ยนะกลังพูดเลยได้ยินเสียงคลอมระดังนี่น เอ๊แล้วก็เงียบหลวงพ่อก็พูดไปเรื่อย พ, พูดไปเรื่อยหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยโยมไปดูๆเสว่าเนี่ยมันจะลงกติหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันดังเสียงเหมือนเหมือนกับเสียงทับกระเบื้องและสังกสีอ่าถูกกระเบื้องและสังกสีลักษณะอย่างงั้นแหละอ่าพอไปดูที่ไหนพระกําลังคลานออกมาอยู่ ไปหลังคาในยุบหมดเลยดูพระก็เจ็บนิดหน่อยโอ้ถ้าดูหลังถ้าดูกุฏิแล้วก็ไม่รอดแน่ๆว่างั้นเถอะอไม่รอดแน่ๆพบกิ่งซอยมึงโอบขนาดนี้ลงตรงอันนั้นเลยแปลว่ากระเบื้องทุกแผ่นในแตกหมดเออพระก็ได้คลานออกมาไม่เป็นไร อหลวงพอ่อทอทอทอทอทอทอพอหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้เทพเจ้าเหล่าเทวาคุ้มครองฟ้าดินคุ้มครองวะถ้าไม่งั้นตายแน่ต้องได้ต้องได้เผาพระแน่แนเลยเนี่ยวะวอถ้ า, า, อ, าอยู่อย่างนี้แหละคล้ายๆว่ามันมันหมดสภาพต้นไทรนะต้นไทรมั น, น, นขึ้นไปพันขึ้นไปพันต้นไมต้ตะแบก คือแต่ไม้ตะแบกเป็นตรงตรงกลางมันไม้ไผ่ไม้ต้นไทรมันก็ขึ้นพันพันวันนี้ต้นแต่แบกมันอยู่ข้างในมันหมดสภาพท่นี่มันมันเป็นโพรงมันเน่าเลยพอมันเน่าต้นไทรจะอยู่ได้อย่างไรท่านนี่มันก็หักได้ทีเดียวพอมันหักก็มาว่าไปที่อื่นก็ไม่ไปทับพระท่นนี่กุฏิพระไปวันได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาแปลว่าเกือบจะไม่ได้ไม้อะไรสักตัวเลยอยู่ท่านเห็นแล้วโอ้ นั่นแหละคือข่าวสาหัสสากันที่มาสร้างวัดของเรากัมีครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแหละเอแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออพระองค์ที่มาอยู่นมันภาวนาแล้วมันคิดอะไรหรือเปล่าเหป็นก็ไปรู้นะเ <c oughs> ทวดาลงโทษวะเทวดาสอนเอนั่งคิดนั่งอ่าน น, นนะเรื่อว่านั่งด่าหลวงพ่ออยู่ก็ไม่รู้หลวงพ่อกําลังเทศน์เนี่ว่ะ ออทำไมพูดมากนะักหลวงพ่อเนี่ยจะไหวอย่างนั้นไม่รู้ออก็เลยเทยวราลงโทษ อ, อ, อาการหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรนี่แหละที่สร้างวัดมาก็มีครั้งนั้นแหะก็นอกจากนั้นก็ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีมันเหมือนจะลงศาลาหรือเหมือนจะลงกุฏิแต่มันก็เสียด เ, ออเสียดเวียงไปนั่นแะเหมือนกับมีอะไรมี ภูมิลูกหาเทวดาพักไม่ให้มันลงบนหลังคาหรือว่าที่อันตรายลักษณะอย่างนั้นอ่ะเสียอยู่แต่ไม่มากเต้า อ, อยู่ในป่าธรรมดาอันนี้คือเราอยู่ในป่าแต่ถึงยังไงเนี่ยอยู่ในป่ากระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยที่กุฏิต่างๆ ต, ต้องเตรียมไมนะว้นะทายาิโยมลูกหลานนะเตรียมไว้ประมาณปีละ200แผ่น ทำไมยังเตรียมไว้ขนาดนั้นบางทีกิ่งไม้มันลอยและลื่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เน่ยเปี้ยงลงมาลงมาเป็นสี่ห้าหกแผ่นสิบแผ่นยี่สิแผ่นจะทํายังไงได้เละกว่าเราจะไปวิ่งหากระเบื้องมันช้ามันต้องเอากระเบื้องที่สํารองไว้ขึ้นไปสอดรีบใส่เพื่อไม่ให้ข้างล่างมันเสียหายนั้นมีอยู่กิ่งไม้มันหล่นลงมาทําให้กระเบื้องแตก เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงพยายามใช้สังกะสีแบบรุ่นใหม่แผ่นยาวๆใส่เข้าไปเลยเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันแตกง่ายสาราหลังนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อสร้างมาปีสามศูนย์เห็นไหมไปเราก็ใช้กระเบื้องมาปีที่แล้วนี่มันก็ดีอยู่กระเบื้องกัพอใช้ได้อยู่จะใช้ไปอีกหลายปี แต่ว่าลิงท่นี่ลิงมันเยอะขึ้นมาเลยใครโยมกระเบื้องเด็กก็แตกเอาเด็กก็แตกเอาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอลิงมาเล่นนั่นแหละก็เลยหาสังกสีเอาสังกสีกรอรุ่นใหม่สังกสีแผ่นยาวเขานะมามุงเลยเท่นี่พอมามุงหลวงพ่อบอกให้ลิงนะ่ำเมืองขึ้นไปเลยวัน αι. ถ้ามันจะขึ้นไปเรื่อยมันต้องเอาค้อนทีตะปูขึ้นไปด้วยนะถ้า แ, แกจะเอามืองัดเนี่ยเดี๋ยวสังกสีบาดตัดนิ้วมือมึงน่ะมือนิ้วมือมึงขาดนะวะมันก็ไม่ขึ้นไปนะหายเงียมันก็ไม่ขึ้นไปเพราะมันมันขึ้นไปแล้วมันเดินไปที่ไหนก็มันไม่สะดวกมันแต่กระเบื้องไม่ได้นะถ้ามันเดินไปนะกกลัก ทามันดังซ้ำมันเสียงดังกรกกลนะักเลยเลี้ยงจะกระโดดไปตรงนั้นแนตะ่เขยา่าเขยานะ่าหน่อยมันชอบที่ดังๆนะเออมาข่าหน้าก็เขย่าตรงเก่านั่นแหละมาข่าหน้าก็เขย่าตรงเก่านะมันจะเหลือเหลือกระเบื้องใช่ไมอมนี่แหละอยู่ในป่าหลงพงไพ่เนี่ยคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนี่ยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างงั้นนะ่ะธรรมชาติอยู่ในป่าเรียนไม่จบ เรียนรูหนึ่งเพออกอย่างหนึ่งเรียนดังหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งฮะเรียนธรรมชาติน่ะแต่ยังไงเราก็แก้ไขาตามธรรมชาติเอาปรับปรุงแก้ไขยอย่างป้ายเห็นไหมป้ายขึ้นมาลิงขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันมันยอกมันโครนอยู่ทำไมกระโดดเขยา่าเขย่าปังปังปังเฮ้เสียงดังแต่ข้าต้นนึ่งมากกัเขย่าอีกต้นหนึ่งมากเขยา่า เอาไปป่าป้ายป้ายไม่จะอยู่ได้เลยเขย่าต่อหลายครั้งต่ลายหุ่นมันก็พังเลยพวกกู้บาไม่ได้มันเขย่าขึ้นมากะหาเนี่ยให้ถาไวห้หวกิ่งต้นละก ร, รมที่มเป็นน้ําน้ําเลยไปมัดสายบัน ท, ทั้งสองข้างให้มันเคลืนบันนี่มันก็รู้จักแล้วมันก็ไม่ขึ้ืนอีกพอมัดเถาว่ากิ่งของต้นละกรรมอะ เห็นที่เป็นน้ำหนามน่นะใสเข้าไปมันก็ไปขึ้นโอ้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมมาเยอะเลยวันนี้มาจากไหนลูกหลานไปน้าชิดาครับนาชิดาเต๋อเอา้ามาจไม่ไกลในวาจากนีก่ขึ้นไปกับพระผูก้อนนะพระผูก้อนโอ้สวยงามลูกหลานพระพระนอนของคุณแม่ปิยวันงามเข้แกะได้สวย ถึงทางท่าด้านวัตถุแล้วก็ไม่แพ้ใครที่เขาทาเขาประดิษฐ์ประดอยจริงๆหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปเห็นวัดป่าภูก้อนแต่หลวงพ่อวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าดงพงไผเนี่เป็นป่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติป่าธรรมชาติเนื้อที่ทั้งหมดพันพันสาห้าิไร่นะในวัดของหลวงพ่อ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 ประมาณสองทุ่มจนถึงตีห้าหลวงตาจะเทศแสดงธรรมโดยมากกลางคืนนะท่านจะเทศเรื่องพระอบรมเรื่องพระเท่านั้นที่หลวงพ่อไปอบรมอยู่กับท่านสิบกว่าปีนี่แหละเทศที่หลวงตาเทศนี่แหละอันเดียวกันนั่นะท่านอบรมพระแต่ฟังพยายามฟังให้เข้าใจเพราะว่าเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยท่านเทศ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 เราจะได้ฟังธรรมะธรรมะที่ตัดกิเลสหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นะธรรมะเทศนาขององค์หลวงตาให้ฟังหน้าพระนะหลวงพ่อพยายามให้พระฟังแต่จะไปฟังเตลิดเปิดเปิงนะถ้าฟังเตลิดเปิดเปิงเปิดจนเคยชินเปิดทั้งวี่ทั้งวันคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเปิดฟังแล้วก็ตั้งใจฟัง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 เป็นกอบเป็นกรรมเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเรา็นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลี้ยงชีวิตของเราจับจ่ายไส้สอยเราท่านได้มากกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเลยท่านก็ไม่ได้มาแบ่งเอากับเราอีกครูบาอาจารย์เฮ้ยแต่แกได้เงินคําทรัพย์สมบัติแล้วต้ามาแบ่งเรานะพระพุทธเจ้าพระหันทสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้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 เออเคียงบาเคียงไหลกับพระคราวนี้ก็ท่านก็ได้จากไปแล้วตามอายุสังขารลูกหลานก็จะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วันนี้หลวงพ่อบอกออถูกต้องละลูกหลานไม่ใช่แต่ลูกหลานทำนะหลวงพ่อก็ทำไม่ใช่ว่าจะยุให้คนอื่นทำตัวเองไม่ทำไม่ใช่นะหลวงพ่อนีออ่วันทำบุญลำเลึกถึงพระคุณของพ่อแม่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 ก็ให้เราเราลำลึกป่อพ่อแม่ที่ได้ให้มนตรกเราที่ดินบ้างที่อยู่กินไร่นาเลือกสวนไร่นาที่พวกเราได้อยู่ได้กินก็เพราะว่าท่านได้แบ่งมนตรกให้กับเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะเราไม่มั่นใจว่าดวงวิญญาณท่านไปตกอยู่ณถิ่นใดทุกข์ยากลําบากอย่างไร พวกเราควรจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยกขึ้นมาให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุล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 เป็นเครื่องเกือกุลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ขอให้มีแต่ความสุขตกอยู่ในสถานที่ใดพ่อแม่ดวงวิญญาณตกทุกนาที่ใดถ้าตกทุกข์ใดายากข อ, ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วข อ, ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปพวกเราในฐานะลูกล ก, ลกทางหลายก็ควรจะล้ำลึกอย่างนั้นทุกครั้งที่เร า, เาได้ทําบุญอันนี้ก็คือบท บุตธทิดาอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเกิดมาพบใดชาติใดท่านไม่เคยลืมพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่ดูเลี้ยงดูเรามายากลำบากขนาดไหนเราเลี้ยงดูลูกของเราเนะี่ยยากขนาดนั้นละ่ะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเกเหมือนกันกับเราเลี้ยงดูลูกของเราเพราะนั้นเราเลี้ยงมาเพื่ออะไร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 อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านยังไม่ให้ปล่อยป่าละเลยอีกในถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะเราจะเห็นได้มากทีเดียวเลยพระพุทธเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดท่านจะไม่ปล่อยป่าละเลย ทดแทนพระคุณของบิดามารดาเนี่ยอย่างสุวรรณสามก็เหมือนกันชาตินั้นพ่อแม่ตาบอดเนี่ยอยู่ในป่าสุวรรณสามมันเลี้ยงดูพ่อแม่ตักน้ำมาให้อะไรมาให้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างสุดสุดนี่แหละถึงเกิดมาพบใดชาติใดแต่เราก็ไม่เคยมาเกิดเป็นสมัยพระพุทธองค์เกิด ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เถอะเมื่อท่านได้ตัดสรู้แล้วพระมารดาประสูตธ์แล้วก็สวรรค์คตรเจ็ดวันก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชัน้นรุสิทธ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดสัพพสัต์ทั้งหลายพอทรงควรแล้วพระองค์ยังได้ขึ้นไ ป, ปโปรดพระมารดาอยู่ปนสวรรค์ชั้นดุสิทธ์ทั้งสามเดือนเห็นไหม เขาก็ตัดทางโรคไปเลยเอาไว้ละพอละขนาดนี้โปรดโรคพอขึ้นไปโปรดพระมารดา เ, าเป็นนั่งแสดงธรรมอยู่ทั้งสามเดือนอยู่สวรรค์ชั้นรุสิตอันนี้คือโปรดพระมารดาส่วนพระบิดาก็อาพอได้ตัดสู้เกลับเสด็จมากรุงกบิลละพัทก็โปรดพระบิดาได้สำเร็จพระโสดาบัน ต่อมาอีกมาเทศพระบิดาอีกได้พระอนาคามีพอป่วยที่วาระสุดท้ายพระพระโองค์เจเ็จเข้าไปในที่บรรทมที่นอนของพระบิดากับพระอ น, นุ์พระราหุลพอไประเทศให้ฟังพระบิดาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อ่า ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ไปเจ้าจุดโทธนะนะพระองค์บอกว่าสรงพระบิดาถึงฝั่งแล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วจบแล้วพระบิดาไม่ใช่สวรรค์นกศรัทธาะวรรนิพพานพระบิดานิพพานแล้วใกล้าว่าเป็นพระรหันต์ถวานนิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องพระคุณของบิดามารดาเพราะนั้นปีนี้หลวงพ่อได้ยิน ใครใครมาพูดให้ฟังลูกวางแผนค่าพ่อค่าแม่หลวงพ่อได้ยินโอ้สลดสังเวชใจทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแท้ทำไมต่อไปขาดออสอนเรื่องศิลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลาน น, นี่แหละมันจะได้ยินอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราเแนะนำสั่งสอนลูกหลาน พ่อแม่ก็ให้ความใส่ใจในการบอกกล่าวลูกหลานเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วเรื่องอย่างนี้นก็คงไม่เกิดขึ้นแต่นี้มันห่างเหินทางโลกกว่า น, นั้นมีแต่พูดกันแต่อย่างอื่นแต่ไม่จริงมันบาปกรรมหนักในหลักของพระพุทธศาสนาเนะี่ยบาปกรรมหนักอนันตริยกรรม อนันตเรียกรรมห้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดเอาไว้นะอนันตเรียกรรมห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระหัน์โลหิตตุบาททำร้ายทำรายพ ร, ร, ระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตไห้ห่อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายคือยุโยงสงให้แตกกันสองฝักฝอยนี่ครับเป็นบาปหนักว่าสังฆเพศ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 แต่ว่าความเป็นพระไม่มีเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจนะมันขาดไปแล้วมันหมดสภาพแล้วหมดหมดความเป็นคนแล้วจิตใจมันดำปีแล้วจิตใจเป็นสัตว์ที่ไฉานเป็นสัตว์นรกแล้วถ้าออกจากร่างกายนี่ก็ล้นะ่ะเอเวจีมหานรกเลยทนะกี่ปีจริงจะพ้นมาได้แปลว่าหมดชีวิตทั้งชีวิตนั้นแปลว่าหมดคล้ายๆกขว่า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 ยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝ่ายอันนี้ว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้รับรู้รับทราบเอาไว้นรกสวรรค์มีจริงไหมมีจริงใครก็ตามข้าพ่อข้าแม่ก็อันดับโลกอันดับแรกก็ติดโคกติดตารางนั่น อ, อันดับต่อไปเมื่อล้มหายตายจากลงไปกันะไปสู่เอเวจีมหานรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย กรรมขึ้นมาทําไมเขาจึงถูกฆ่าอย่างนี้เขาทําไมเป็นอย่างนี้แต่เราเห็นแต่ปลายเห็นแต่ปลายมือแต่ต้นมือเราไม่เห็นอย่างพระโมกขารนะพระโมคกขารเป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกข้างขวาเหาะเหินเดินฟ้าได้แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนเป็นอ克拉สาวกฟังดิ้งมือซ้ายของพระพุทธเจ้าอั克拉สาวกข้างขวาคือภาษารีบุตรเป็นมือขวาแขนขวา พระโมคคัาเนขาแขนขาแขนซ้ายของพระพุทธเจา้าแต่วันดีคืนดีมาถูกโจรฆ่าอยู่ที่กรุงราชคื์ถ้าใครไปกรุงเมืองอินเดียจะรู้แลกรุงราชฎื์ศรอยู่ตรงไหนอยู่ในหุบเขาพระโมคคั า, าถูกฆ่าอยู่ที่เมืองขายาศีษะกถูกฆ่าโจรฆ่า แต่ทำไมพระโมคคลาจึงให้โจรฆ่าท่านเป็นผู้มีมีฤทธิ์มีเดช ท, ที่แรกท่านก็นั่งอยู่ที่กุฏิของท่านคือโจรพวกโจรเนี่ยพวกเดรัจฉีพวกนอกศาสนาเนี่ยเป็นพิษภัยนอกศาสนาเขาวานส ม, มณะโครมเนี่ยใคร เ, เป็น เ, เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ช่วยสมมณะโคดม บอกพระโมคคลาเนี่ยเป็นตัวเต่งเพราะว่าท่านประกาศให้บอกว่าคนนั้นไปนรกคนนี้ไปสวรรค์กระหาเฮินเดินฟ้ามีอิทธิฤทธิ์อีกต่างหากคนทั้งหลายนับถือเรื่มใส่ถ้าเราฆ่าพระโมคคลาซะคงตัดแขนพระสมณโครมลงไปพวกเราคงจะมีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอันนี้พวกนอกศาสนาเข้ากัน ลงขันกันนะพอลงขันก็จ้างโจรห้าร้อยโจรมันมีอยู่แต่โจรก็ได้รับเงินแล้วกันนะเข้าไปล้อมกุฏิพระโมคคลานะพอเห็นพระโมกคลาขึ้นกุฏิตอนเย็นพอเป็นล้อมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพระโมคคลาเอ๊ะมันเสียงอะไรท่านก็เสียงโนมาเนะี่ยท่านก็เลยเหาะหนีเลยหายเงียบไปเนะพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ย พอนี่ยเข้าไปงวงเงียเข้าไปในห้องท่านหาท่านไม่เจอเพราะท่านเหาะไปแล้วนะ่ยพอครั้งที่สองอีกเขาก็เป็นล้อมอีกดักล้อมอีกเห็นท่านขึ้นกุตีอีกพอขึ้นกุตีอีกล้อมอีกพอล้อมขึ้นไปค้นหาอีกไม่เจออีกท่านหนีอีกสองครั้งพอครั้งที่สามพระโมกคลาท่งนเออมันเป็นบาปกรรมอะไรวะทําไมเขาจึง จะมาฆ่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเนี่ยถือสัตราอาวุธมาเนี่ยท่านทําจริงท่านคงจะรู้แล้วล่ะอันนี้ท่านกงคงจะหลายรอบแหละท่านก็รู้ว่าบาปกรรมในอดีตของข้าหนีกรรมเลยห น, นีไม่พ้นแหละแทนหนีคนหนีอย่างอื่นอันนี้พ้นแต่หนีกรรมห น, นีไม่พ้นข้าพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในอดีตข้าหนีไม่พ้นแล้วทีนี้พอเขาขึ้นไปครั้งที่สามพระโมคคลาก็ น, นั่งจุกปกเลยท่านไม่หนีท่าน ท่านไม่หนีกรรมหนีไปมันอกี้ยังมันหนีไปหนีไม่พ้นอนะ่ะหนีกรรมหนีข้าวนี่กือข้าวหน้ า, วาพวกโจรผู้ร้ายเขาเอ้าอยู่นี่ไว้ค้อนเขากระทบเลยนะ่ะเอะทบจนแหลกเลี้ยวนะ่ะพวนี้สุดเขาก็ลากออกมาจากกุฏิไปทิ้งไว้กลางแจ้งพอที่มันกลางแจ้งเสร็จแล้วก็พอโมฆขาลาอืมเรายังไม่ได้กราบลาพระพุธทธเจ้าเราจะไปนิพพานไปเลย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 แต่ในร่างกายท่าง ก, เก็เป็นปกติเป็นปกติไม่เหมือนกับไม่มีอะไรแต่เพราะประสานกายโดยฤทธิ์นะจากนั้นพระองค์พระโมกคลาคกรหองไปกรา บ, ร พ, าบาพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์จะได้ขอลาปรินิพานแล้วเพราะว่าข้าพระองค์ถูกโจรทั้งหลายเขาทุบร่างกายแล้วข้าพระองค์ขอกราบลาพระองค์ปรินิพานพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่าเออไปตามการอันควร ของเธอจะนะโมคลาแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปนะั้นเธอควรจะแสดงบุพกรรมคือกรรมดีและกรรมกรรมชั่วให้กับพวกน้องๆทางหลายได้ฟังให้ดูซะก่อนนะ๋ยวค่อยไปโมคลาครับผมจากนั้นพระโมคลากรออาพระพุทธเจ้าจะได้เหาะขึ้นไปบนอากาศและแสดงบุพกรรมของข้าพเจ้าในอดีตก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้เป็น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 อันนี้คือพระอาหารหันทิ้งขันทิ้งไม่ยากนะจากนั้นคนทั้งหลายกระโจ์ขานกันแลยตวนี้โมกพระโมกคลาเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชแต่ทำไมถึงจูกถูกโจรฆ่านะคนกันพูดไปทุกหัวและแห่งพระพุทธองค์ท่านรู้อดีตอนาคตพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาสมควรตายเพราะกรรมของตนที่ได้กระทาไว้ในอดีตโมกคลาสมควร ตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตพระสงฆ์ท้งนหลายกราบทูลถามว่าอดีตกรรมของพระโมคขลาได้ทำกรรมอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตของพระโมคคลาเนี่ยพระโมคขลาเกิดมาในภพนั้นชาตินั้นเกิ ด, ม า, ม, าดมาพ่อแม่ตาบอดพอตมาพ่อแม่ตาบอดแล้วก็เลยแต่งพ่อตาบอดแล้วก็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 หน้าพ่อผัวแม่ผัวเทนี่ยพ่อแม่ผัวพ่อผัวตาบอดก็หาเรื่องหาราวยุให้ยุให้โมกขลานี่สามีเน่ถ้าจะแกรักพอลักแม่ขันฉันจะอยู่ด้วยไม่ได้ทางว่าถ้านจะให้ฉันอยู่เธอก็จะต้องไม่มีพ่อแม่ของแก่ยพโมกขลาก็อารมณ์สื่อ ว, วูบเพราะว่าเห็นภรรยายุยงก็เลยเอาพ่อกับแม่ไปฆ่าทิ้ง แต่ตำราหนึ่งในประไตรปิฎกบอกว่าพระโมคคลาไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงแต่ไปขู่เฉยๆพ่อแม่เรียกพอใส่เกวียนไปแล้วก็พระโมคคลลาพ่อแม่นำเกวียนไปนะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายไปไปไ ป, ป่าซะก่อนไปถ่ายซะก่อนพอเสร็จแล้วก็กลับมากับตะโกนเสียงขึ้นมาเป็นเสียงเสียงคนอื่นฮะแต่ก่อนเป็นเสียงอีสานน่ พอมาขู่ได้เป็นเสียงภาคกลางใช่ไหมทางแม่พ่อแม่ตาบอดจะไม่เห็นนะโอ้ลูกเอ้โมกขลายโจรจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้หนีจะได้ลูกเด้ออย่ามาใกล้ได้อ ว, ว่าพอเท่านั้นโมกคลาก็เลยใจอ่อนฮะตำรานหนึ่งนะในพระไตรปิฎกนะตำรานหนึ่งว่าท่านก็เลยไม่ได้ฆ่าก็เลยเอาพ่อแม่มาถึงขนาดนั้นแหละพระโมกคลายยังถูกฆ่านะ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 ฆ่าพ่อฆ่าแม่จากนั้นก็ฝังแล้วก็กลับมานั่นแหละพระโมกคล า, าออกจากชาตินั้นแล้วกันนั่นนะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเลยท่าบาปกรรมพระโมคขล า, าดได้ได้ทับเอาไว้ถูกฆ่ามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าพระโมคคล า, ายังไม่พ้นทุกในชาตินี้พระโมาากขลาคงจะถูกฆ่าอีกอแต่นี้พระโมคคล า, ามค้นทุกแล้วคําว่าพ้นทุกคํำนี้เหมือนกับ ท่านนั่งเรือไปข้ามฝากแล้วหมาหรือว่าคนมาถึงฝั่งนี่มันหาไม่เจอแล้วหาร่องรอยไม่เจอแล้วพระโมกคาลานั่งเรือไปฝากนูน่ น, น, แนแล้วฝากทะเลฝากนู่นแล้วอคนละฝากกันแปลว่าเป็นอ้โหสิกรรมเลยแปลว่ากรรมให้ผลสาเร็จคล้ายๆกับมันตามไม่ถึงกรรมตามไม่ถึงกรรมไม่ถึงความบริสุทธิ์จิตใจที่ท่านบริสุทธิ์แล้วนั้น นี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องพ่อเรื่องแม่อ น, นันตริยกรรม5เนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยในหลักทำคําสอนของพุทธศาสนาพระนั่งของฝากไว้กับคณะทาญาทโ ย, ย, ยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะหลวงพ่ออ้างอิงถึงพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคําสอนของหลวงพ่อนะอ่าอ้างอิงมาพระไตรปิฎกท่านตรัสไวอ้อย่างนี้เราก็เห็นด้วย เออมันจริงกรรมนากรรมไหนทำแล้วกรรมนั้นจะตามสนองออที่หลวงพ่อเคยยกบ่อยครั้งนะว่าอากตังดุกตังเส้ยโยปัชาตะปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังออ ก, าการทำการทากรรมทำได้สามทางมโนกรรมคือคิดทางใจก็เป็นบาป คิดทางใจคิดก่อนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็พูดเพราะนั้นทการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมการทำกรรมมโนกรรมก็ตามกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็รับก็ตามเมื่อทำกรรมไปแล้วกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วกรมชั่วนั้นจะให้ผลตามมา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 เป็นยังไงถ้าเราทํากรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีจะตามสนองฮะแต่ตัวเองขณะที่ทําก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองโมโหโกธาใครจับไม่ได้ใครทําอะไรฆ่าไม่ได้ฆ่าเฉียวฉลาดพวกนี้แหละพวกที่ว่าฉลาดฉลาดทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นนอนอยู่ในคุกในตรางอยู่ในเรือนจํำพวกนี้แหละพวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดน่ะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้เห็นพี่น้องศรัท ธ, ธาญาติโยมมามากาหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปรับพรในะแตนีนะอุทิศวนกุศลเนนะ้